พระบัญญัติ1207ก็ภิกษุณีใดใช้ภิกษุณีให้บีบหรือให้นวดต้องอบัตปาจิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบ